เรื่องเล่าสยองขวัญเสียงละเมอหลอนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องของเพื่อนผมในสมัยเรียนเมื่อครั้งที่เจอกันในงานเลี้ยงรุ่นแล้วมีการเล่าเรื่องราวแลกเปลี่ยนทุกสุขกันจึงมาจบที่เพื่อนคนนี้ที่ในสมัยเรียนประถมด้วยกันพ่อของเพื่อนท่านเป็นครูที่สอนพวกเรามา เราจึงตั้งใจฟังเรื่องราวที่เพื่อนได้ถ่ายทอดออกมาเขาเริ่มเล่าเรื่องของพ่อของเขาก่อนตายว่าตอนแรกผมก็คิดว่ามันคือเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายมันกลับทำให้ผมกลัวจนหลอนจนจำติดตาถึงทุกวันนี้พ่อกับผมสนิทกันมาตั้งแต่เล็กพ่อเป็นคนเสียงดุแต่ก็ใจดีมากถ้าไม่ทำผิดอะไรก็จะไม่ได้รอยไหมเรียวจากพ่อเด็ดขาดผมรู้นิสัยพ่อก็พยายามเป็นเด็กดีไม่ดื้อตั้งใจเรียน เราก็เลยรู้ใจกันเมื่อผมขออะไรพ่อจึงให้ผมได้แทบทุกอย่างแถมพาผมไปเที่ยวตลอดแต่ความสุขของผมกับพ่อก็มีอันต้องสั่นคลอนเมื่อพ่อป่วยต้องนอนโรงพยาบาลหมอตรวจเช็กอย่างละเอียดผมจึงได้รู้ว่าพ่อของผมป่วยเป็นโรคหัวใจรั่วโดยกําเนิดโดยที่พ่อเองก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นโรคนี้หมอบอกว่าไม่มีทางรักษาได้และน่าจะมีชีวิตได้ไม่ถึงหนึ่งปีถึงจะทําการผ่าตัดยังไง ก็คงไม่สามารถทำให้พ่ออยู่ไปได้นานกว่านี้แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ่อผมจากที่เคยเป็นคนเที่ยวกินเหล้าสุขบุรีก็เลยเลิกทุกอย่างหันเข้าหาธรรมะเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะงานทอดกะถิน่นงานบุญที่ไหนพ่อมักจะไปร่วมด้วยเสมอพ่อทาทุกอย่างสร้างพระก็รับทำหนังสือพระไปแจกพาคนไปทาบุญพาคนไปเที่ยววัดเสมือนว่าเขารู้ว่าจะอยู่ได้ไม่นานจึงทาบุญมากมายขนาดนั้น ไม่เพียงเท่านั้นพ่อหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิอีกด้วยท่านับเวลาตั้งแต่ช่วงเย็นก็เกือบครึ่งคืนพ่อถึงจะเลิกแล้วนอนถ้าตอนเช้าก็ตั้งแต่ตีสี่จนถึง6กโมงเช้าตอนแรกผมก็รำคาญว่าจะอะไรกันนักกันหนาสวดมนต์ก็เสียงดังเปิดเพลงพระหรือเสียงพระส่วนอีกคนจะหลับจะนอนเพียกกับพ่อมากแต่ไม่นานผมก็เห็นผลไปพร้อมๆกับพ่อเพราะพ่อไม่ตายจริงๆหนึ่งปีสองปี สามปีจวบจนมาถึงปีกลายเป็นเวลาถึงแปดปีจนหมอเองก็สงสัยว่าทำไมพ่อยังอยู่ได้พ่อเล่าให้หมอฟังถึงการกระทำของพ่อหมอเลยสันนิฐานว่าอาจเป็นเพราะยามที่พ่ออยู่กับการสวดมนต์การนั่งสมาธิจะทำให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านจึงทำให้หัวใจทำงานไม่หนักและอยู่ได้นานมากขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้แต่ท้ามกลางการรอดชีวิตของพ่อนี้ ผมมักได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากห้องพ่อเสมอตอนแรกผมก็ไม่สนใจคิดว่าคนแก่จะระเมอเฉยๆแต่ฟังนานๆไปใช่แล้วมันคือเสียงพ่อพูดกับคนอื่นแน่ๆหลังจากพ่อนอนหลับทุกครั้งไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนผมมกักจะยังไม่หลับบางครั้งก็ดูโทรทัศน์บ้างและไม่หลับเพราะเสียงสวดมนต์ดังๆของพ่อบ้างผมจึงมักหลับที่หลังพ่อเสมอจึงได้ยินเสียงคุยของพ่อทุกวัน บางวันพ่อก็คุยกับพระเพราะพ่อใช้สรรพนามเรียกพระคุณเจ้าบางวันก็คุยกับแม่หรือย่าของผมเพราะพะ่อเรียกแม่ตลอดหรือคุยกับเด็กพ่อก็จะทำเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยพ่อคุยกับใครต่อใครได้ทั้งคืนอย่างที่บอกผมเองก็คิดว่าคนแก่แล้วจะไปมีอะไรก็คงจะเพอ้อไปตามภาษาคนแก่ที่เอาประสบการณ์วันเก่าๆมาละเมอเท่านั้นแต่อย่างหนึ่งที่แปลกคือพ่อจะเอ่ยนามแต่คนที่ตายไปแล้วเท่านั้น จนอยู่มาวันหนึ่งพ่อไปอ่านตามอินเทอร์เนต็ตว่ามีการกินเม็ดผลไม้ชนิดหนึ่งแล้วหัวใจจะดีขึ้นพ่อจาัด ก, การนำไปตากแล้วเอามาต้มน้ำดื่มได้ผลทันใจแต่เป็นไปในด้านลบหนึ่งอาทิตย์ขาและเท้าพ่อบวมมากจนหน้าตกใจพวกเรานำพ่อส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน้ำท่วมปอดต้องเอาน้ำออกให้มากที่สุดและจากัดการกินน้าหมอคาดว่าจากการที่พ่อต้มน้าเม็ดผลไม้นี้ส่งผลให้น้ามีมากเกินไป ประกอบกับร่างกายอ่อนแออยู่แล้วด้วยจริงสุดมากครั้งนี้พ่อต้องนอนโรงพยาบาลเกือบอาทิตย์ผมนอนเฝ้าพ่อตลอดและขณะอยู่โรงพยาบาลพ่อก็ยังอุตส่าห์สวดมนต์ฟังธรรมและนั่งสมาธิทุกวันซึ่งผมก็ไม่ได้ขัดอะไรได้แต่ติงให้เปิดเสียงเบาๆหน่อยเท่านั้นคืนแรกที่ผมนอนเฝ้าคราวนี้เพราะเรานอนด้วยกันผมจึงฟังได้ถนัดหูว่าพ่อพูดอะไรบ้างและเห็นกิริยาท่าทางด้วย พ่อคุยกับพระจริงๆพ่อพนมมือคุยกับพระนานมากพอจบจากพระก็ไปคุยกับย่าของผมแต่หมดจากย่าจะมีคนอื่นอีกไหมไม่รู้เพราะมันดึกแล้วผมนอนหลับไปก่อนแต่ในใจได้แต่คิดว่าคืนพรุ่งนี้ผมจะต้องพิสูจน์ให้ได้คิดแต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่การละเมอธรรมดาแน่ๆเช้าวันรุ่งขึ้นผมถามพ่อว่าการละเมอของพ่อในแต่ละครั้งรู้ตัวบ้างไหมพ่อบอกว่า พ่อนอนหลับสนิทไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าพูดอะไรออกมารู้แต่ว่าก็สดชื่นมานอนหลับปกติทุกรอบเมื่อพ่อไม่รู้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมเองเย็นวันนั้นผมทำการซ่อนโทรศัพท์มือถือไว้ใต้หมอนรอคอยเวลาอย่างใจจดใจจ่อสี่ทุ่มแล้วพ่อสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยคืนนี้เลิกไวหน่อยผมนอนตาสว่างเอื้อมมือไปปิดไฟให้พ่อไม่มีแสงใดๆจากในห้อง คงมีแต่แสงจากทางเดินข้างนอกห้องที่ทะลุผ่านผ้าม่านเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่มากเสียงข้างนอกเงียบสงบไม่มีเสียงเจ้าแจของใครแล้วผมชะเง้อมองไปที่นาฬิกาห้าทุ่มตรงพ่อผมหลับไปนานแล้วผมนอนพลิกไปพลิกมาและแล้วก็ได้ยินเสียงผมมองผ่านความสลัวสลัวของห้องเห็นพ่อพนนมือไหว้พระแล้วคุยวันนี้พ่อคุยกับพระที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเรา ผมไม่สามารถบอกชื่อได้เพราะเกรงว่าจะเป็นการไม่สมควรในการนำชื่อท่านมาบอกหรือเอ่ยอ้างผมจับใจความได้ว่าหลวงพ่อครับผมคงยังไปไหนไม่ได้ผมเป็นห่วงหลานเขายัางเล็กยังไม่มีความรับผิดชอบผมห้ามเขาก็ไม่ฟังผมวางไว้เขาก็หยิบไปซึ่งการคุยของพ่อจะมีจังหวะหยุดเหมือนกับรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดตอบกลับมาแต่ผมไม่ได้ยินเท่านั้นเองผมเข้าใจว่า พ่อน่าจะยังห่วงหลานที่เป็นลูกพี่ชายผมที่เสียไปแล้วซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและมักหยิบเงินที่พ่อวางไว้ไปเสมอเมื่อห่วงก็เลยยังไม่สามารถตายได้นั่นเองพ่อคุยกับพระสักพักผมก็ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์พยายามเพ่งมองว่าพ่อหลับหรือตื่นเมื่อเห็นว่าพ่อนั่งพูดทั้งๆ ท, ท, ที่หลับอยู่ผมก็จัด ก, การถ่ายวิดีโอทันทีโดยไม่ได้มองไปที่กล้องใจหนึ่งก็กลัวแต่อีกใจหนึ่งก็อยากพิสูจน์ ผมค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆแล้วรวบรวมความกล้าหันมามองรูปจากกล้องพระเจ้าช่วยผมเห็นเป็นดวงไฟรอบๆตัวพ่อมากมายดวงไฟเป็นสีเหลืองๆทองๆบางดวงก็เป็นสี ๆ, ๆบางดวงก็เป็นแสงสีขาว <ๆ S 2> ผมกลั้นใจลองมองไปตรงตัวของพ่อแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอมองผ่านกล้องกลับเห็นแสงนั้นมากมายขนทั้งตัวผมลุกเกลียวพ่อไม่ได้ละเมอคุยคนเดียวแน่สักพัก พ่อเดินออกมาจะออกจากห้องผมต้องเขย่าแขนพ่อให้ตื่นขึ้นมาตัวพ่อเองก็งงว่าลูกเดินออกมาที่ประตูทำไมผมนอนลงอีกครั้งเพื่อรอให้พ่อหลับและผมจะได้พิสูจน์อีกว่าไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญพักเดียวเสียงพ่อกรนออกมาแสดงว่าหลับแน่แล้วและไม่นานคราวนี้พ่อคุยกับย่าเสียงดังว่าแม่ผมจะไปอยู่ด้วยนะแต่ผมยังเป็นห่วงพวกเขาอยู่ผมมือไวเท่าความคิด หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอีกคราวนี้ผมสลัดความกลัวเพ่งมองไปที่โทรศัพท์เลยผมเห็นเป็นร่างลางๆในความมืดร่างนั้นแต่งชุดขาวแต่มันจางมากจางจนผมสังเกตไม่ได้มากกว่านี้ผมกระชับผ้าห่มที่คลุมโปองอยู่แล้วให้โผล่มาแต่บริเวณตาและมือที่จับโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอเท่านั้นเหงื่อจากตัวผมผุดขึ้นมาจากตัวจนรู้สึกว่าเปียกไปหมดไม่ได้เกิดจากร้อน แต่เกิดจากความกลัวที่แผลซ่านไปทั่วร่างกายผมแล้วพ่อคุยกับย่าได้สักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นเดินไปที่ประตูอีกผมรีบลุกกระโจนเข้าหาพ่อเขย่าแขนแล้วบอกพ่อพ่อจะไปไหนพ่อพ่อพ่อเหมือนรู้สึกตัวอีกครั้งพร้อมกับรู้สึกงงงแล้วกลับมานอนต่อในใจของผมตอนนั้นสับสนว่าจะทําอย่างไรดีจะถ่ายวิดีโอต่อหรือจะนอนผมลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระในใจแล้วตัดสินใจนอนดีกว่า ถึงผมจะอยากรู้อย่างไรแต่ความกลัวมีมากเกินกว่าเสียแล้วจึงตัดสินใจไม่ถ่ายวิดีโอแต่อย่างน้อยผมก็รู้แล้วว่าพ่อไม่ได้เพอ้อไปเองจึงตัดสินใจนอนหันหลังแล้วนอนหลับไปในที่สุดเช้าตื่นขึ้นมาผมหยิบโทรศัพท์มาเช็คดูภาพที่ผมเห็นเหมือนกับเมื่อคืนไม่มีผิดผมเอาให้พ่อดูแต่พ่อก็ให้คําตอบกับผมว่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อจําอะไรไม่ได้เลยมันน่าจะเหมือนโลกอีกมิติของพ่อมากกว่า ดังนั้นคืนต่อมาจนถึงคืนก่อนออกจากโรงพยาบาลผมก็ไม่คิดจะถ่ายวิดีโออีกเลยได้แต่นอนคลุมโปงตอนพ่อคุยกับใครไม่รู้อย่างเดียวและคอยมองว่าแกจะเดินออกจากห้องไปไหนหรือไม่เท่านั้นพ่อ น, นอนที่โรงพยาบาลนานเป็นอาทิตย์กว่าจะได้กลับบ้านหลังจากวันนั้นพ่อก็มักเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำและเสียชีวิตไปในที่สุดซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่พ่อนอนเสียอยู่ในห้องด้วยอาการหัวใจวาย พ่อไม่ได้เรียกใครให้ช่วยเลยแม้แต่น้อยแต่พ่อได้เขียนข้อความไว้ในกระดาษและจัดเตรียมรูปของพ่อไว้เป็นที่เรียบร้อยพ่อเขียนในกระดาษว่าชาติ10ธันวาคม2496มรณนะ13พฤศจิกายน2556พ่อรู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนเขียนไว้เสร็จสับเลยผู้คนที่มาในงานศพต่างพูดถึงเรื่องราวการรู้วันตายของพ่อ ผมเสียใจเป็นที่สุดที่พ่อเสียแต่อีกใจก็คิดว่าพ่อคงไปดีเพราะบุญที่พ่อทำไว้มีมากมายผมบันจงแต่งชุดเครื่องแบบชุดขาวติดบ้างบ่งบอกให้รู้ว่าพ่อมีซีไหนพ่อจบชีวิตข้าราชการครูและได้สวมชุดอันทรงเกียรตินี้อีกครั้งในวันสุดท้ายของชีวิตก่อนร่างจะถูกเผาและในวันเผาก็ได้มีเรื่องประหลาดอีกครั้งเมื่อพระครูที่เป็นเพื่อนกับพ่อสมัยยังเด็กมองขึ้นไปบนปล่องไฟเมนของวัด แสงแรกที่ขึ้นไปพร้อมกับไฟก็คือท่านเห็นพ่อยืนแต่งชุดขาวอยู่ที่บนสุดของปล่องไฟนั้นหน้าของพ่ายิ้มแย้มแจ่มใสพระครูเพื่อนพ่อรูปนั้นเดินมาบอกผมแล้วเดินจากไปผมก็ได้แต่ยืนมองไปที่ปล่องไฟแต่ก็ปราศจากร่างของพ่อตามที่บอกแต่ก็ไม่เป็นไรท่ามกลางน้าตาของผมบอกกับตัวเองไว้ว่าพ่อจะยังอยู่กับผมตลอดไปพร้อมๆกับเรื่องราวที่ผมถ่ายวิดีโอไว้ได้ในโรงพยาบาลวันนั้น พอเพื่อนเล่าจบทุกคนก็มองหน้ากันแบบอธิบายอะไรไม่ได้ได้แต่นึกถึงวิดีโอที่เพื่อนผมให้ทุกคนดูและก็ให้คำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่หากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ